ยีหน้าที่การซื้อขายที่ดินมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาอยู่อย่างหนึ่งลืมไม่ได้คือพิจารณาดูหน้าที่เพราะที่ดินที่หน้าที่ดีเช่นเป็นต้นว่าหน้าที่ติดถนนหนทางหรือติดท่าน้ําซึ่งพูดกันย่อๆว่ามีท่ามีทางอย่างนี้เป็นทําเลที่ดีต่อไปจะเจริญแม้ผู้ขายจะเรียก ราคาแพงผู้ซื้อก็ไม่ค่อยรังเกียจตรงกันข้ามที่บางแปลงหน้าที่มันอับเช่นมีที่คนอื่นบังหน้าหาทางออกไม่ค่อยได้หรือหน้าที่สอบเสี้ยวคับแคบจะคิดทำมาค้าขายก็ลำบากที่อย่างนี้ราคาถูกหน้าที่สาคัญมากพวกเจ้าของที่หรือนักเล่นที่จึงพากันระมัดระวังเป็นพิเศษ แม้ด้านหลังและด้านข้างที่จะว้าแหวงไปบ้างแต่ด้านหน้าที่เป็นไม่ยอมให้เสียใครทำให้หน้าที่เสียจะด้วยไม่รู้จักค่าของหน้าที่หรือไม่รักษาหน้าที่ก็ตามเป็นใช้ไม่ได้เสียหายในตัวเองด้วยคนอื่นตำหนิติเตียนด้วยที่ว่านี้หน้าที่ดินแปลงนอกที่ดินแปลงในคือร่างกายของเรานี้ก็สาคัญอยู่ที่หน้าเหมือนกัน นักดูคนก็ถือหลักเดียวกับนักดูที่คือดูกันที่หน้าคนที่หน้าดีเช่นเป็นต้นว่าหน้าตายิ้มแย้มหมดจดก็เป็นที่นิยมนับถือของคนอื่นมีแต่คนอยากได้ไว้เป็นลูกเป็นเมียเป็นนายเป็นลูกจ้างได้ไว้แล้วก็รักไม่อยากปล่อยให้หลุดมือไปตรงกันข้ามคนที่หน้าไม่ดีเช่น เป็นคนหน้าบูดหน้าบึ้งหน้านิวคิ้วขมวดหน้าเง้าหน้างอ เ, เป็นคนหน้าอับจเจริญยากเพราะคนไม่นิยมถ้าบังเอิญไปได้คนหน้าอับเข้าก็มีแต่นั่งภาวนาว่าเมื่อไหร่จะพ้นไปจากสายตาสักทีฉะนั้นการครองที่ดินแปลงในจะต้องพยายามรักษาหน้าที่ให้ดีไว้ที่จะได้มีราคายังมีอีกแห่งหนึ่งคือการงาน การงานถือว่าเป็นที่เหมือนกันที่คือแผ่นดินสำหรับปลูกต้นไม้และสร้างบ้านเรือนที่คือร่างกายสำหรับปลูกสร้างชีวิตและที่คือการงานสำหรับสร้างฐานะฉะนั้นคนมีงานทำก็คือคนมีที่ทำกินนั่นเองแล้วการงานที่ทำก็เรียกว่าหน้าที่เหมือนกันเช่นหน้าที่เสมียนหน้าที่รับส่งหน้าที่กํานัน หน้าที่ครูหน้าที่นายอำเภอและอื่นๆจนกระทั่งถึงหน้าที่รัฐมนตรีและหน้าที่นายกรัฐมนตรีหน้าที่ทางการงานนี้ตามปกติไม่ค่อยอับมีถ้ามีทางด้วยกันทั้งนั้นเว้นแต่คนที่มีหน้าที่แล้วไม่ใส่ใจรักษาหน้าที่ของตนปล่อยให้หน้าที่รกรุงรังหรือสกปรกโสมมเป็นการทำให้หน้าที่ของตนอับ พลาดท่าเลยถูกรุกหน้าที่เอาด้วยน่าเสียดายพื้นที่จะดีหรือไม่ดีดูที่หน้าที่ที่ดินผืนในคือร่างกายจะดีหรือไม่ดีดูกันที่หน้าที่การงานของใครจะดีหรือไม่ดีก็ดูกันที่หน้าที่หน้าที่เป็นทางมาเห็นความเจริญหน้าที่เป็นเครื่องวัดราคาของเราเองฉะนั้นทุกคนควรจะรักษาหน้าที่ให้ดี จึงจะเป็นคนมีดี